15 มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกายจากหนังสือสุจินโนนุสรณ์ๆเกิดความสงสัยไม่สบาย มีพระสงฆ์มหานิกายหลายรูปด้วยกันที่ยังไม่ยัตติอยู่ก็เป็นเหตุให้การปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นหลายรูปด้วยท่านอนุญาตบางรูป ถ้าผากการบยติเป็นธรรมยุตหมดเสร็จแล้วฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนําการปฏิบัติมรรคผลละในสิ่ง ทางดําเนินไปสู่มรรคผลนิพพานบรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกายที่ท่านได้อนุญาตทยติ 16 นิกายเดียวกันหลวงพ่อ 2 ครั้ง 1 คือบาทอาจารย์ นักผู้สนทนาพิพากษาวิจารณ์กันถึงเรื่องนิกายทั้ง 2 ได้พูดดูถูกพระและได้พูดลามไปถึงครูบาจารย์ของรัฐว่าพระรูปตา พร้อมกับกล่าวว่ามะยัสเข้าตูดข้านี่ทําให้ ในสมัยครูบาอาจารย์เท่าท่องรัฐก็มีเรื่องวิพากวิจารณ์ไม่น้อยเมื่อสั้นๆ สังฆกรรมแต่มีอยู่วันหนึ่งกันแต่มีอยู่วันหนึ่งท่านได้ไปกราบถึงผู้ ก่อนถึงวัดลงอุโบสถหลวงปู่มั่นได้รูปไปได้ยินมาจาก 2 ฝ่ายเพราะใจเครียดแคลนสงสัยในสังฆกรรมนั้นหลวงปู่มั่น ที่รวมฉันน้ําพะนะด้วยสงสัยในสังคามอยู่เออไม่สงสัยก็ดี ดอกขน้อยบ่เป็นหยังดอกขน้อยขน้อยเขาโอกาสไปลงทันหน้าพู้นดอก แต่ดินิพระสงฆ์ที่ไปขอศึกษาประเพฤติปฏิบัติกับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ไม่ได้ยติบางรูปจึง ให้เป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้จะติเป็นธรรมยุตตินิกายที่เป็นศาสนมิคและเป็นลูกญาณมุนีฮอดจังหวัด นครราชสีมา 2 หลวงปู่สีเทาบ้านแว้งจังหวัดยโสธร 3 หลวงปู่ค่อมบ้านคอกก่องจันทิโยวัดจันทศิลปาวาสอำเภอท่าขนม ท่านเจ้าคุณพระโคติญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัฏโฐบ้านหนองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี 7 หลวงพ่อกิอำเภอภิบูรณ์มังสาหานจังหวัดอุบลราชธานีแต่ภาย 8 หลวง อำเภอสวนนครพุฒจังหวัดร้อยเอ็ด 9 พระครูภาวนานุสาสหรือหลวงพ่อจังหวัดอุบลราชธานี 10 หลวงพ่อทาวัดถ้ำซักมืดอำเภอจังหวัดนครราชสีมา 11 หลวงพ่อปุ่น บ้านคำแดงจังหวัดยโสธร 12 จงเพาะพรสัจจวโรวัดบ้านจั่งยางอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี 13 จงเพาะกองแก้วธนปัญโญ อำเภอปราภาจังหวัดนครพนมเป็นต้น 17 อุบายเพื่อให้ได้ฝังเทศถึงพ่ออวดเล่าว่าครูบาจารย์ แต่การทําทุกอย่างก็เพื่อควบ 2 แต่ละองค์ แต่องค์ท่านทรมานพระเนนเหล่านั้นโดยไม่อบรมไม่เจตนาจนพระเนนทนไม่หรือ เมื่อเห็นครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นพระเนมมองเห็นช่องทางที่กระผมที่จะเปลี่ยนใจลากลับแล้ว ครูบาอาจารย์ทองรัตน์รับปากหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาออกรับมิญธบาแล้วบังเอิญวันนั้นมีโยมเอาแตงกวาใส่บาตรเมื่อได้โอกาสครูบาอาจารย์เท่าทองรัตน์ซึ่ง จึงได้เรื่องเพราะหลวงปู่มั่นทอดเทศน์ให้ครูบาอาจารย์เท่าคือตอนกลาง ได้ถูลกุฏิหลวงปู่มั่นจนแน่ใจว่าหลวงปู่มั่นท่านได้ยินว่ามีพระ กล้าทำในสิ่งดังกล่าวและ 18 เฮ้ยบังใหญ่มาแล้วแต่ทุกคน บางคนถ้าสติไม่เท่าทันกับอุปสรรคที่เกิดให้การเดินทางเนิ่น บางท่านต้องใช้เวลานานหลายปีก็มีฉะนั้นๆต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางให้ ให้สุรมะพร้าวแห่งหนึ่งเกิดสติขึ้นในจิตใจเฮ้ยเฮ้ยบ่าวใหญ่ จึงรู้ตัวว่าตนเองถูกมนต์ดลเอามีครั้งหนึ่งถึง ตนคิดว่าตนเองเหมาะได้ในขณะที่เอะอาบวอยวายอยู่นั้นหลวงปู่เสา 19 ช่วยคนตายให้กลับพื้นความพัด ที่กระท่อมได้มีคนร่วมกันจัดงานบางอย่างกระท่อมได้มีคนร่วมกันจัดงานบางอย่างและในขณะที่ ให้ช่วยลูกเขาที่เพิ่งตายไปไม่นานให้กลับฟื้นมีชีวิตใหม่ด้วยครูบาอาจารย์เฒ่าได้พูดเสียงอันดังเหมือน จึงเทศพรรณนาถึงความทุกข์ต่างๆเพื่อให้หญิงคน 20 ควายป่า ครูบาอาจารย์เท่าได้มีโอกาสทุรงกับท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์สิริจันทโธและหลวงปู่มั่นจากการบอกเล่ามีไม่ชอบให้ศิษย์ติด ไม่อาจจะทราบที่ได้ร่วมทรงกับครูบาอาจารย์ด้วยในระหว่างทางเดินจากตัวเมืองไปที่ คือเส้นทางที่กําลังจะเดินผ่านนั้นไม่มีฝูงควายป่ากําลังกินปรุงอยู่และได้มีควายป่าตัวเกื่อง พร้อมกับยกขาที่แข็งแรงและว่องไวทีเค้าที่ชาติ หลวงปู่มั่นท่านได้ไปวัดโพชัยบ้าน 3 ของได้สร้างศาลาเป็น ตามคําบอกเล่าว่าที่เลือก 3 ของเพราะวันหนึ่งมิได้ผ่านออกคร่าสัตว์ที่ป่านี้ได้ยิ่งกว่า ทุกคนออกหาอย่างไรก็ไม่พบออกหาอย่างไรก็ไม่พบคิดว่า 2 3 หลังใกล้ป่งนั้นเพื่อพัก 21 วัด ถ้ำจัมปายายกงแสนสุขบ้านวังไห้ตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารลาวาบ้านคันแทตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านวัง แล้วจึงกลับขึ้นภูบางปีก็มี 22 สร้างวัดป่า 2466 ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้มาสร้างวัดป่าที่บ้านวังไหตอนนั้นยายกงอายุ 12 13 ปีได้มาช่วยผู้ใหญ่ขุดดินขุดบ่อน้ําคือคุณแม่บินพระสองรูปแม่จันทราคุณคือครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์กับครูบาเจิมกับ ปี 2467 แม่ใหญ่คำมาก็ได้จัดองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวายพระ เมื่อทอดถวายภาคสถิตย์ท่านแล้วท่านก็จะผากกันเย็บเป็นไตรสยาม ท่านเคยปัจจุบันวัดป่าวังไห้ได้ย้ายจากที่เดิมไปเค 23 เคารพ สักโกกะมลภาวนากรได้ฟังสืบทอดมาจากหลวงพ่อจิเล่าว่ามีอีกคราวหนึ่งครู ได้ประมาณครึ่งทางเผอิญบาดของหลวงปู่มั่นได้ท่านและกลิ้งลงตาม 2 3 รูปก็เฉยเพราะมากแม้แต่บริขารท่านถ้าเอามือจับก็ แต่ต้องถ้าไม่จําเป็นกลับทั้งกลัววิ่งลงเขาเหมือนบาดในปล่อยให้บาดหลวงปู่มั่นกลิ้งเออไม่มี 24 ประเทณีที่ฝากไว้วัดป่าเมธาวิเวกเดิมเป็นสถานที่ขั้นกลางระหว่างที่นา 2 แปลงมีทิศตะวันตกติด หาวคืนหลายคนที่ต้องจบชีวิตลงตกเย็นปี 2473 ครูบาจารย์โสมซึ่งเป็น ให้มาทำนักปรากฏหรือบ้างดำพันชาวบ้านแล้วไม่มีใครก้าวย่างเข้าไป แต่ก่อนบ้านหนองมียังไม่มีโรงอ่านออกเขียนได้แล้วในเวลาต่อมาชาวบ้าน ที่มีลูกชายที่ได้นํามาปักเป็นลูกศิษย์วัดเพิ่มมากขึ้นบ้านก็ หลวงปู่ได้ส่งไปเรียนขั้นสูงต่อ ให้ไปสร้างในสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนน้องที่ในพระธรรมรดซึ่งถือได้คนต่างทินเมื่อเข้าไปในวัดจะเห็นศิษย์มาให้การปฏิสันถารเป็นประจำเท่าในอดีตที่ผ่านมาเรื่องความเคารพความผูก ระหว่างประเพณีและเด็ดได้ถูกปลูกฝังสืบทอดกันประเพณีอันงดงามที่ชาวหนองหีได้ถูกระหม 4 หมู่มี 3 วัดโรง แต่ความสามัคคีของชาวบ้านจากแบ่งแยกการก็หาไม้ๆที่ทางราชการ อดิสามเนยยศแล้วว่านมพูกินรีท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังกลับการงานมากดูเฉยเรื่องอาบาทเด็กน้อยท่านไม่มองข้ามเช่นการประเคนของท่าน siihenมีแต่ผู้หญิงมาวัดเพื่อถวายของท่านจะไม่รับเด็กขาด แม้จะทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ทิ้งไปทำให้ไม่ออกเพลงท่านมากวัน แม้แต่ผู้เป็นมารดาผู้บังเกิดเกล้าหลังจาก 3 ปีก็ออกปฏิบัติต่อไปจะกลับมาเพราะท่านไม่เคยบอกๆก่อน ก็ได้นําไปฝากไว้กับหลวงปู่วิเศษที่วัดป่าเมตตาวิเวกซึ่งปู่วิเศษท่านได้มาอยู่สืบต่อจากหลวงปู่โสมปีพุทธศักราช 2477 ครูบาจารย์เฒ่าของรัฐได้มีโอกาสมาแวะและพักจำ บ้านหนองหีอีกเพราะประเพณีอันดีงามเช่นการสักบาตรทุกเช้าชาวบ้านจะพร้อมกันออกทําบุญสักบาตรไม่ว่าหญิงหรือชายจะนั่งลงเวลาจบข้าวใส่บาตรชะงายมือใส่ จนกว่าพระเนนเสด็จพ้นไปเมื่อมาจําพรรษาที่คือวัดนํารงเมธายารามมี มากันไปฟังเทศน์เป็นจํานวนมากและไม่มีใครยกก่อน หลวงปู่กีนารีหลวงปู่กีนารีได้ไปกราบและปฏิบัติธรรม ให้รู้หน้าที่ของตนเองเฮาเป็นญีให้รู้ ได้มีโอกาสตอบคําถามท่านประมาณ 2 ครั้งและไม่เคยพูดคุยกับท่านตลอดตลอดทั้งพระเนตร แม่ตัดการพระ zab ไขนสินของหล Onion 大قة คือได้ฝึกไว้คือถ้ามีเฉพาะแม aminoя ภูหญิงท่านจะไม่รับสินของนั้นแม่จะรับด้วยพล่า ท่Les тысячи baths ผู้ที่ต่างๆหลายที่มีโอกาสอุปถากและติดเช่นบ้านจีทวนบ้านคุ้มการ 5 6 รูปหลังจากออก จะมีแต่ครูบาอาจารย์ชาเท่านั้นที่แวะมาๆการแต่ละครั้งท่านจะต้องนําของและจะ ผู้ท่านเน้นเรื่องนี้มากอาจารย์เท่าท่งรัฐท่านเห็นเรื่องนี้มาบ่าง 25 ติดตามหลวง 2478 ครูบาอาจารย์เท่า ที่วัดนี้เองวัดนี้คือพระกิจกิสุทโธโรต่อมาทยติเป็นธรรมยุตธ์โดยหลวงพ่อบุญมากจิตปัญโญเป็นผู้นำ ได้ส่งข่าวให้ครูบาอาจารย์เฒ่าของคือ บ้านถากโคมเพราะได้จากมานานเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีปลอกได้จักมานานและ ติดต่อโทรเลขเพื่อปรึกษาท่านพระคุณทั้งสองซึ่ง 3 หลวงปู่เสาได้ส่งข่าวให้ 26 สามิจกรรมร่วมกันกันเป็นประจําปีหลวงพ่ออวดเล่า 2479 เป็นปีสุดท้ายที่หลวง บ้านขากโครงส่วนหลวงปู่มั่นจะทําหน้าที่อยู่เขตอีสานเหนือ ที่วัดกกแก้วซึ่งไม่ห่างจากองค์ทศพระพนุมมากว่าสาเหตุของการดำริสร้างวัดกกแก้วอำพวันอาจจะเป็นเพราะว่า ประกอบกับเมื่อมีการรวมกันแต่ละครั้งจะมีพระภิกษุสามเณรรวมกันเป็น ผู้บาอาจารย์มั่นเป็นหลักถ้ารู้สึกว่าเพราะท่วงทำนองการเทศของท่านเสียง หลวงปู่เสาได้สั่งให้ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐไปจําพรรษาที่บ้านจีเมื่อนี้ให้ ไปจําอยู่บ้านขากโคมซึ่งเป็นบ้านเกิดและคันไปไป 10 รูปบ้างซึ่งครูบาอาจารย์ หลวงปู่เสาได้แบ่งสายอีกทีหนึ่งให้ครูบา ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีล่าว่าเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าได้บวชเป็น 2479 ซึ่งเป็นครั้ง 2480 ถึง 2490 ได้ แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับมาจากพ่อเพราะมีลูกหลานอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างทุกวันจะปฏิบัติเป็น จะประบาดไม่ได้แล้วและมีความคิดว่าธรรมะ 3 จังหวัดต่างๆแล้วท่านปลายชีวิตที่ได้กลับมาที่บ้านเกิดและ คือที่ลมมีหนองน้ําเป็นหย่อมเหมือนปัจจุบันและเป็นป่าดอน 2479 หลวงปู่เสาได้ธุดงค์มาจากวัด ได้ไปกรุ่งเทพไปกรุงเทพฯเพื่อไปฝากสัมมเณรพุทธคือพระราชสังวรญาณณขอราชสีมาให้ จะเพื่อเทพโปรดคนมานิมนต์หลวงปู่เรื่อยมาในวัง 15 ค่ําเดือนปี 2480 คณะเช่น คุณหวัดคุณนายชมคุณเป็นต้นพร้อมทั้งพระหน้าคุณนายพริ้งเป็นต้นพร้อมทั้งพระ พร้อมกับญาติโยมบ้านจิตทวนเพื่อสักว่าเพราะแต่ก่อน ตกใจแนวทางปฏิบัติของท่านต่อมาท่านได้ออกคุโดง หลวงปู่เสาเมื่อเห็นญาติโยมทั้งทั้งความศรัทธาที่จะนําข้อประเพฤติปฏิบัติไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ที่จะได้พระกรรมฐานไปเป็นที่พึ่งเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณหรือท่านอาจ ที่ไปด้วยกันว่าไปเพราะพระยังไม่มากันว่าถ้าจะเอาพระไปเดี๋ยวนี้อย่างไม่ สั่งให้ไปก่อนบ่ได้ขนอยหลวงปู่ได้บอกปฏิเสธ เป็นเวลาที่ใกล้จะเข้าพรรษาเต็มทีผู้หลวงปู่รับรองอย่างนั้นก็พาเป เมื่อกลับเวลาได้ 2 วันญาติโยมบ้านจิตทวนสร้างพากันมุ่งหน้าไปที่บ้านขากคมพร้อมทั้งสัมภาระบ้านก็มีกล้วย หลวง 28 ครูบาอาจารย์เฒ่าได้รับมอบหมายให้ไปอยู่บ้านๆท่านญาติโยม ทางรู้สึกพอใจที่หลวงปู่เสาท่านได้จัดทะให้ถึงแม้ ในระหว่างที่กรรมพันษาที่บ้านจีทัวนั้นเองครูบาจารย์ ปัญหาเช่นเมื่อกราบอาราธนาท่านเป็นจักรบรรษาโยมก็ได้แบ่งแยกกันเป็นๆลืมตาดูมันยัง พ่อครูคือถังน้ําสานด้วยไม้ไผ่ปอกด้วยชั้นไปตักน้ําในบ่อของ ทำไมพระอาจารย์จึงห้ามเอาถังลงตักน้ําในบ่อหรือว่า ผู้บาอาจารย์จะใช้สรรพนามแทนตัวว่าลูกจะพูดกับญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายอี เช่นอีพ่ออีแม่ที่ชายก็บัง 29 ต้องยกให้ท้องรัดหลัง เรื่องไม่มีอุบายจะไปพูดเฉยๆไม่มีอุบายๆยังเคยถูกลองดี หลวงปู่เสาอยู่บ้านขาดคงครูบาจารย์เฒ่าทองรัดอยู่บ้านจีทวนครูบาจารย์บุญมากอยู่บ้านท่า ไปร่วมหลวงอุปัฏฐศน์อยู่ช่วงหนึ่งต่อมาพระผู้ใหญ่ทางเมืองร่วมลงอุปัฏฐศน์กันจึงได้แจ้งมายังหลวงปู่เสาให้ทั้ง 2 หาผู้ที่เห็นความดีครูบาเช่นบ้านไหนที่เตรียมจะใส่บาตรแล้วเหลียวมองดู คบเถือนเมื่อไปบิณฑบาตท่านจะทําความคุ้นเคยกับญาติโยม บางครั้งเห็นกล้วยสุกอยู่ท่านก็พูดกับโยมว่าแน่เป็นกล้วยสุกอยู่บนต้นไม่อยากได้บุญบ้างนั้นได้มาไม่บริสุทธิ์ขัดต่อพระธรรมวินัยแต่ที่ทํา เสร็จสละนิยมบางคนเห็นท่านไปทุกวันก็บอกว่าข้าวยังไม่เอ้าแม่รีบเร่งไปเข้าลูกจะรอ ร่วมกันที่บ้านหนองหีได้มีโอกาสบุหรี่ตองแต่จะให้พอ หาเรื่องใส่ท่านต่างๆนานาบางครั้งเมื่อท่านออกสมแต่ท่านก็ไม่สนใจบางคนพอไม่ได้จริงๆถึงกับเอาค้อนตี 40 ใส่สิคิด เพราะตายพระบาททุกวันครูบาอาจารย์เฒ่าท่านก็บิณฑบาตตามปกติเหมือนไม่มีโยมคนนั้นเป็นพิเศษเพื่อเดินกราบครูบาอาจารย์เฒ่าแต่ครูกะพระให้วัน เงินบาทให้หอใหญ่ปกติเมื่อไปถึงวัดทุกวันครูบาเช่นของนั้นเอ่ยปากขอมาอาหารดิบท่าน วันนี้ซึ่งหอใหญ่ปิดปกติห่อใบตองซึ่งห่อใหญ่ติดปกติประกอบกับโยมคณนี้ได้ต่อว่าท่านๆแกะไม้กลัดห่อหมกนั้นออกใน กระโดดออกจากห่อหมกอย่างรวดเร็วด้วยความว่องไวเป็นทุนของครูบาอาจารย์เฒ่าท่านได้เตรียมอาหารปลาดไว้พร้อมกับว่าเอ้อเกร็บข้าวไม่เอามาใส่บาดให้พอนะเกร็บข้าว